สมเด็จพรสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงหาอะไรมาสอนเรานอกจากนํากฎธรรมดาที่เรามีอยู่ให้เรามาใช้มาปฏิบัติให้ถูกทางเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิจิตเราก็ใช้ก็อยู่เป็นปกติเช่นเรารู้อยู่ว่าเวลานี้เรานั่งอยู่เราคุยกันอยู่ในเรื่องอะไรแล้วคุยตามเรื่องตามนั้นได้เป็นไปตามปกติไม่พลาด เราทำกิจการงานอะไรอยู่ก็ทำกิจการอย่างนั้นโดยไม่จิตศาดรอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิหรือเราอ่านหนังสืออยู่เราก็รู้ว่าอ่านหนังสือเราทำงานอย่างใดอยู่ก็รู้ว่างานอย่างนั้นนี่รวมความว่าสมาธิจิตของเราวันนีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจันทีเห็นว่าสมาธิแบบนั้นเป็นโลกิยะสมาธิไม่เป็นทางหมดทุกข์ องสมเด็จเจ้าสมมาสมพรธเจ้าต้องการให้เรามีความสุขจึงให้ใช้สมาธิในด้านกุศลจิตคิดหากุศลก็ใส่าสาใจไว้เปไ็นประจำให้จิตจําไว้เฉพาะด้านกุศลอย่างเดียวถ้าจิตจําไม่ได้เฉพาะกุศลอย่างเดียวจนเป็นเอกคัสตารมอย่างน้อยที่สุดถ้าเราตายจากความเป็นมนุษย์ก็เป็นเพียงตวดวดาหรือว่าเป็นรม เมื่อจิตทรสมาธิได้ดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกระสันมิตทศนายานมีอริยสัจเป็นต้นให้พิจารณาเห็นทุกข์ที่ไม่เกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจเพราะอาศัยความเกิดเป็นปัจจัยพิจารณาไปให้ไม่รู้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเรื่องให้ที่เราจะบอกให้ใครก็มาชี้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์ไม่มันไม่ใช่ภาระ ก็ทั้งใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่เราจําจะต้องทนสิ่งนั้นแบกรับกาของความทุกข์ทั้งหมดความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความร้อนเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ ร่างกายมีสภาวะเคลื่อนไปมีการแก่การเฒ่าร่างกายไม่สมประ ก, กอบเป็นทุกข์อาการที่เราจะตายเป็นทุกข์ทุกต่างหลายเหล่านี้มันมีอยู่จำเป็นตัเป็นประจำแต่ว่าเราไม่พยายามในคิดถึงกันฉ <c oughs> ันั้นองสมเน็จือพระกระวันเห็นว่าพวกเราโง่เกินไป สมเด็จพระจอมายจีนสอนให้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ตามดําบาลีว่าชาติปีตุขาความเกิดเป็นทุกข์ชาติปีตขาความแก่เป็นทุกข์เราวำปีตุขังความตายเป็นทุกข์โศกะปรีเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นไป็นอันว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ นี่เป็นอันวันอันบัดเราเกิดมาแล้วมันก็พบแต่ความทุกข์เราไม่มีความสุขแล้วว่าความทุกข์จะมีอยู่บุคคลใดใครเห็นทุกบ้างที่เราชินแต่ความทุกข์ถ้าจนชินจนไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์อาการที่เราไม่มีเราไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์เขาก็อาศัยความโง่เป็นปันจจัยตามธรรมบาลีที่ดเดชกันว่าอิชา นี่ความทุกข์ที่มายัเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุพระพุทธศาสนาย่อมแสดงเพศออกมาพระพุทธเจ้าสอนอาศัยเหตุกับผลเป็นปกติไม่มีอะไรไรเหตุไรผลทุกข์ที่มันยัเกิดขึ้นกับเราก็าอาศัยใจเราคบตัญหาคืความทิยานอยาก ในปัญหาที่เราจะคิดว่ามันเป็นปัญหาได้กิเหล็กก็ต้องคิดจำดูพิจารณาดูว่าถ้าความต้องการของร่างกายคือความหิวก็ดีความกระหายก็ดีอาการหนาวก็ดีอาการร้อนก็ดีถ้าความหนาวเกิดขึ้นเราต้องการเครื่องอบอุ่นความร้อนเกิดขึ้นเราต้องการความเย็นความหิวรายกิดขึ้นเราต้องการอาหาร ทรัพย์สินคันไม่ไม่มีไม่มีจะใช้อะสอยหามาพอดีพอใช้สอยความปรารถนาอย่างนี้ไม่เรียกว่าตันหาเราว่าเป็นอาการที่เป็นไปตามปกติที่เราจะต้องกลงืนหล่อนเลี้ยงร่างกายแล้วความทะยานอยากเกินไปอันนี้เป็นตัญหา ที่เรามีการพอกินพอใช้แล้วก็แต่เกียรตกายหาความพอไม่ได้ mm hmm. ความไม่พอมีความปรารถนาสูงกว่าเกินพอดีนี่แบกกายของตัณหาจะเป็นการาแสวงหาให้มีการลำบากเปล่าเ mm hmm. จา้านองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าแต่บุคคลใดต้องการให้คนทุกข์ก็พยายามละตัณหาเสีย รือสร้างความพอให้มันเกิดทำความพอในใจให้ทรงอยู่พอตรงไหนกันการแสวงหาชีพพอแับการอาศัยชื่อ ว, ว่าเป็นการพอแต่คำว่าพอจะถามว่ามีปริมาณเท่าไรนั้นก็ต้องอยู่แลแต่ฐานะกับความจำเป็นไม่จะเกี่ยวกต่กายเกินพอดี อย่างนี้ก็เรียกไว่าพอเมื่อความพอปรายกฎความสุขใจมันก็เกิดขึ้นวันนี้การที่จะตัดตัณหาได้จริงๆแต่ยะมันนึกเอาแค่พอแค่พอตามกฎธรรมดามันก็เป็นไปไม่ได้องสมเด็จพระจอมไตรบริมศานดายังสอนต่อไปว่ า, าเราจะต้องการความพอของชีวิต ก้อยจิตเกาะอยู่ในคุณธรรมดังสามรีกลายคือศีลสมาธิปัญญาที่เรียกเรียกกันว่าอริยมรรคแปดอริยมรรคแปดนี่เราย่นลงมาแล้วเหลือสามคือเหลือศีลสมาธิปัญญาศีลเลกะแสกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เราจะไม่ทำลายศีลได้ตนเอง จะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคลลบคลอื่นทําลายศีลเห็นเราบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วเราไม่ยินดีด้วยนี่แบบนี้เป็นจริยาเคื่ออารมณ์จิตของพระอริยเจ้าเราต้องทําตามนั้น <c oughs> ให้มีอรมอารมณ์ทรงอยู่ในศีลเป็นปกติระมัดระวงังศีลเป็นปกติ จะว่าถ้าเราไม่ต้องระวังให้ที่จิตไปอัตโนมัติจิตทรงสินอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าความภาดกลางของสินนิดหนึ่งย่อมไม่มีกับใจอย่างนี้องส์สมเนตไปจอมตรายบริมศาสรันดาราปสีลานุสติกรรมฐานถ้าเรามีสินบริสุทธิ์เราก็ปิดอบายภูมิได้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของลัทธดาบัน ในการที่เราจะทรงสินด้บริสิกก็ต้องอายอารมณ์สมาธิจิตเป็นเครื่องควบคุมเป็นอันว่าถ้ารม์ขอเราทรงศินได้ตลอดเวลาแล้วมัตตาวิสินได้เป็นปกติอย่างนั้นแสดงว่าจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วสมาธิประการตั้งใจถ้าพูดกันตามภาษาไทยว่าตั้งใจรักษาสินให้เป็นปกติจะได้ศินและรักษากั่เวลาไหน การสมาทานศีลที่เป็นเพียงการศึกษาศีลเท่านั้นถ้าเราไม่เห็นโอกาสสมาทานศีลมันจะเป็นศีลได้หรือไม่ก็อนิจฺมะมดาแต่พุทธบริษัทสงสยงัยคือควงทราบว่าศีลนี่เราจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ไม่ได้มีความหมายอะไรความสําคัญอยู่ที่การงดเว้นเท่านั้นมันจริงจะเป็นศีล ถ้าเราไม่มีโอกาสสมาทานเรารีกว่าสีคขาบททั้งแปดระการก็ดีหรือว่าสี่ขาบทห้าประการก็ดีเราระงับได้อย่างครบต้วนอย่างนี้เราไม่สมาทานเลยมันก็เป็นศีล <c oughs> แลวก็มีอนิสงส์เท่ากับที่สมาทานนี่ั้งว่าเราจะสมาทานศีลสักวันละพังครั้ง ถ้าใบจิตใจของเราไมไ่ผูกพันอยู่ในสินก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสินไม่ได้มีกับใจของเราโดการที่เราจะระงับตัณหาได้ในอันดับแรกต้องเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์คือมีอารมณ์ทรงสินเป็นปกติธ ร, รรมดาไม่ใช่แต่เฉพาะมันนั่งคตมาศหลับตาหรือว่านั่งสมาธิจึงจะมีศินบริสุทธิ์ ถ้าเราต้องการศีนบริสุทธิ์เพียงเท่านี้แล้วก็มีหวังตายตรงนรกแน่นอนเมวันหนึ่งมี24ชั่วโมงล้วทำจิตบริสุทธิ์กี่นาทีนี่ต้องวัดปันเวลาที่มันผ่านไปเราขาดทุนเท่าไหร่แล้วได้กำไรเท่าไหร่นับเวลาที่เราปฏิบัติ เออใช้เวทจิตของเราปฏิบัติในความดีใช้เวลาน้อยแต่ขาดทุนมากเขาก็ไ ม, ม่มีทางที่จะไปสวรรค์และเกิดเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นองค์สมเด็ดเพจพระจอมไตรยอยู่ในสอนให้ส่งสมาธิในด้านสี้ลานสติธรรมฐ า, านคือให้จิตใจของเราทรงสินเป็นอารมณ์เป็นปกติให้เป็นการนั่งหลับตาวันลเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่มีความหมาย ความสงคัญก็มีว่าทุกลมให้ใจเขาออกกิจเขาเราทรงอยู่ในศีลอันนี้จริงๆชื่อว่าเป็นสมาธิที่มีผลแน่นอนเรียกว่าชีลานุสติกรามฐานนีว่าการทางด้านศีนพลพะระงับกายวาจาใจเป็นเหตุปิตอาบาัยภูมิเป็นได้ของกามาวจรสวรรค์ถ้าเราทรงศีลได้บริสุทธิ์เราก็เป็นเทวดาในกาาวจรสวรรค์ได้ ต่อไปความดีที่มียิ่งไปกว่านั้นก็คือมีพรมโลกเป็นที่ไปอันนี้ถ้าเราจะไปพรมโลกแลก้วเอาศีนี่แหละเป็นสมาธิไปพรมโลกให้ได้ก็ตั้งใจทรงสีให้เป็นสมาธิให้ทรงฌานถ้าสีของเราจะมีมีสมาธิจิตในด้านสีลานุสติกรรมฌ า, านให้เข้าถึงระดับฌานเราจะทำยังไง ทำไมเราจึงจะรู้ว่าสิ่งของเราเข้าถึงด้นลักชานอันนี้เราก็ื่อจะสังเกตได้ว่าวันทั้งวันจิตเราไข่โคลนอยู่ในศีลเป็นปกติมีการมัตตวางศีลเป็นปกติปัญญเวรห้ามโดยการคือการข้าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายสัตว์ การรักขโมลของอยางของบ้านการยื้อแย่งความรักการโกหกหมดเท็จกนรดื่มสุรามีไรเป็นต้นเรียกว่าปัญจเวนทั้งห้าประการอย่างนี้เราสรงเร็แบบสบายใครจะนินทาว่าร้ายส่งเสียงรบกวนเพียงใดก็ตามจิตใจของเราไม่ํำคาญในเสียงของบุคคลนั้นไม่สะทุกส์ท้ายกับคำนินทาว่าร้ายไม่รู้ไม่ยินดีกับคาสรรเสริญใด มีจิตใจาอารมณ์สมบายเป็นเสียงอย่างนี้ชอว่าสมาธิจิตของท่านเข้าสู่เป็นสภาพของฌานนี่ฌานเนี่ยเขาต้องการแบบนี้นะไม่ใช่ไปต้องการนั่งฌานแล้วนั่งขัดสมาธิกันหามรุ่งหามคำ่ำแล้วพ็ลืมตาขึ้นมาแลาว้วก็ด่าววยวยวยแบบนี้ทำไปสักแสนปีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดค่ยอยศีลทรงให้จิตทรงสมาธิไปนโนลมเป็นประจำวันคือจิต ใ, ใจของเรามั่นอยู่ในการของศีลไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอกุศลจิตของท่านก็ขขตนเป็นเอกาตารมคือเมอรมณมเป็นหนึ่งอยู่ในศีลโดยเฉพาะ ใครจะชวนไปไหนจ ะ, จะแนะนำอะไรก็ตามถ้าเป็นเครื่องทงลายสินเราไม่ยินดีด้วยไม่คล้อยใจไปตามอย่างนี้ที่ว่าสิ่งที่เราทรงเป็นฌานนี่เอาสิ่งเข้ามาเป็นฌานก็ไม ม, มันยากบากอะไรของง่ายง่ายการทรงสมาธิจิตถ้าเรารู้จักใคร็จแลแ้วแค่เราสิงทำสิงข้อเดียวเราปรไปนิพพานได้ เมื่อม า, มาที่จิตก็เดารงสีนเป็นชายมีจิตใจผูกมั่นอยู่ในศีลเป็นปกติจะไปทางไหนก็ตามอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอยู่ในสังคมใดก็ตามเราจะไม่ยอมละเมิดศีลอย่างเด็ดขาดไม่ยุโยงส่งเสริมให้ส่งเสริมให้ใครละเมิดศีลไม่ยินดีไม่หัวคนอื่นทำลายศีลแล้วจิตใจก็เรามีความชุ่มชื่นในศีลอย่างนี้เป็นชาย อารมณจิตเป็นฌานเราตายไปจากความเป็นวัลลุกเราก็เกิดเป็นพรหมนี่เป็นความดีระดับที่สองตอนนี้เราก็ศีลารมสติกรมฐานเนี่แหละเป็นมิปัญนายานต่อไปเราก็มาพิจรารณาร่างกายเพราะว่าเวลานี้เราเป็นผู้ส่งศีลแอบให้รู้จักคำว่าเราเราคือใคร เลือดเนื้อร่างกายของเรานี่มันเป็นเราหรือว่าเราคือใครเมื่อพิจรารณากันไปจริงๆแล้วก็เลือดเนื้อร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในเลือดเนื้อร่างกายและเลือดเนื้อร่างกายไม่ใช่เราเราจริงๆก็คือจิตที่มาสถิตอาศัยอยู่ในกายโชกลาภร่างกายมีสภาพเหมือนบ้านเช่าโชคลาภเท่านั้น เราไม่สามารถจะทรงร่างกายอยู่ตลอดการตลอดสมัยร่างกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปใ น, นีสุดที น, นี้การทรงศีลอะไรมันทรงศีลกายทรงศีลหรือ ว, ว่าจิตทรงศีลเมื่อเราพิจารณากันจรงิจรงๆแล้วเราก็เห็นว่าศีลนี้มันทรงกันได้เพราะอา ศ, าศาัยจิตเท้งนั้นเป็นตัวสั่ง กายมันมีสภาพเหมือนหุน่นรานไม่มีการรู้สึกรับผิดชอบใดใดทั้งหมดความรู้สึกรับผิดชอบใดๆความดีหรือความชั่วจะปรากฏกับกายก็อาศัยใจเป็นผู้สั่งนี่งคําว่าเราในที่นี้ก็ได้แต่จิตคือจิตใจหรืออารมณ์ที่สั่งกายอั น, นี้เรามาดูว่าี่แบบัรักษาสินบริสุทธิ์มีจิตสบายแต่กายมันสบายไหม คนที่มีสินบริสุทธิ์ใจสบายไม่มีความเดือดร้อนคนที่มีความเดือดร้อนก็เพราะาสายจิตมันทุกข์สินหาสินไม่ได้มันถึไม่มีแต่ความเดือดร้อนมีกายไม่อยู่สุขชอบเอากายไปสร้างความทุกข์ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเอากายไปยื้อย่างทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่น เอากายไปเยื่อแย่งความรักของบุคคลอื่นแล้วก็มีปากไม่ดีชอบพูดปดพูดสอ้อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่รู้จักเกิดของความทุกข์เอากายไปดื่มสุราเมรัยมีบุคคลที่ไม่เคารพในสิ่ก็มีความทุกข์ และคนเลวประเภทนี้มักจะไม่เห็นตัวของตัวเองมาท่าสร้างความชั่วทั้งๆที่เลวแสนเลวก็ไม่มีความรู้สึกนิกว่าตัวดีอยู่เสมอนี่จึงเข้าใจว่าศีลถ้าเราทรงไว้ได้เรามีความสุขมันไม่มีความทุกข์เข้ามาเกียคน ในของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อยากปรารถนาตรงความสุขให้รักษาศีลเป็นปกติในการที่รักษาศีลเป็นปกติก็อาศัยกําลังใจเป็นสําคัญไม่ใช่กายรักษาศีลมันใจรักษาศีลที่พระเทศบอกว่าการต้องตรงศีลศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจนสองเาตการอันนี้ไม่ใช่ความจริง ตัวจริงๆแล้วสิงห์รักษาจิตให้มันเรียบร้อยมันเองถ้าจิตมันเรียบร้อยแล้วกายมันก็เรียบร้อยตามที่พระพุทธเจ้าสันติว่ามโนบุคคลขมาธรรมามโนเสิษฐามโนเวญาทำทั้งหลายมีใจเป็นคนหน้ามีใจเป็นสติสมัยใจทีสุดแล้ว่าใจของเราที่บริสุทธิ์กายวาจามันก็บริสุทธิ์ มีความเลวที่เกิดจากกายาวาจาเพราะอาศัยใจของเราเลวถ้าเราสิงเขง้ามาควบคุมใจไว้เสแลใจมันก็มีความดีกายวาจามันก็ดีด้วยมีคนที่มีปากเสียมีวาจาเสียมีร่างกายเสียเพราะอาศัยใจเสียอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความทุกข์ หาความสุขใจได้ทีนี้เราก็มานั่งพิจารณากันไปว่าเวลาร่างกายของเรานี่มันเป็นเราหรือมันเป็นของเรามันเป็นเราหรือไม่ใช่เราตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าแต่ภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรองค์ทรงสอนแบบนี้เราใช้ปัญญาเจรณาตาม ท่้กล่าวว่าคนเราถ้าสร้างความดีไว้ถ้าวรมณ์ใจให้ดีตายจากความในคนก็ไปเกิดเป็นสัมมลกขวัญบ้างเป็นพรหมบ้างไปพนิทานบ้างถ้าสร้างความชั่วไว้ก็ตายจากความในคนไปไปเกิดเป็นสัตว์นกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสือกายบ้างสตวิทานบ้างถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความชั่วเลวตามมีแต่ความเดือดร้อน นี่มันนั่งดูเวลาที่ไปเราปรรกก็ดีไปสวรรค์ก็ดีไปฟุ้งก็ดีเรากลายไปด้วยหรือเปล่าเวลาตายแล้วไม่มีใครแบกกายไปด้วยนี่เราก็จะเห็นได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราก็นำธรรมสิงของเราให้บริสุทธิ์ต้องสมาธิจิกคะแนนได้ต้องสิ้มสิ้นให้เป็นฌาน แล้วก็มาพิจรารณาสัตว์ธรรมคําสอนเขาองอนสำเร็จพระบิดาตมาว่าเคลียเต็งความทุกข์ที่มันจะคงมีก็มันได้เพราะว่าสายตัญหามีความผูกพันในร่างกายซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเราวางร่างกายเคียเพื่อผลิพานการไปผลิพานนีนตัตเจาะสกายที่ตีตัวเดียวเท่านั้น ในสังโยคสิบเรือการองสมเด็จพระบิดามาณไม่ได้ทรงตัดที่ไหนส้าง ต, ตัดตัวเดียวคือสกายาติทิเป็นสังโยคตัวแรกเมื่อจิตใจไม่ผูกพันในร่างกายเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ผูกพันเพราะสมบัติในโลกทั้งหมดนี้นั้นอะไรที่เราจะรักเรื่องไปกว่าร่างกายของเราไม่มี ที่องค์สมเด็จพระจีนสีที้เหตุผลที่ทาบถ้าร่างกายของเราไม่ทรงอยู่บ้านช่องเรือนรองทรัพย์สินนั่งไหลมันจะมีคุณประโยชน์อะไรสําหรับเรามันจะมีคุณอยู่บ้างแต่จะฟ้อในขนาด ท, ที่เราทรงร่างกายเท่านั้นถ้าเราตายเวลามันก็หมดเรื่องกันไปทรัพย์สินนั่งหลายก็ตกทอดสูของบุคคลอื่น ฉะนั past, ้นถ้าเราตัดร่างกายชนะแล้วเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนี่ที่เราจะพิจารณาตัดร่างกายก็ต้องอาศัยกายุกตานุสติกามทฐานอาสุปกรมทฐานมรณานุสติกามทฐานอาหานต์บริโภสัญญาจะทุธาตุทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็มีมรณานุสติกามทฐานเป็นพื้นฐานจิตใจคิดไม่เสมอว่าเราจะต้องตาย ความตายเป็นของธรรมดาเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความตายเป็ น, นที่สุดการที่เราทรงชีวิตอยู่นี่เราไม่ได้ทรงชีวิตนี้ความตายเราทรงไว้เพื่อเดินเข้าไปหาความตายที่เจอ น, เนายเหื่ความตายนี่มันเป็นของธรรมดาที่เราจะต้องเข้าถึงในกณะที่เราทรงชีวิตอยู่มาเต็มไปมด้ความทุกข์ ถ้าเราต้องการความเกิดอีกมันก็ต้องทุกแบบนี้จะเกิดเพื่อประโยชน์อะไรเราก็ต้องการตัดความเกิดคือตัดชีวิตร่างกายไม่มัวเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคดาวเป็นใดของความทุกข์ร่างกายเป็นโลกนิทานคือเป็นร่างของโรค ตอบทางคุนนังมันจะต้องเผยเน่าเป็นของธรรมดาแล้วถ้าเรือเกิดมามันก็มีสภาพแบบนี้ออกจะเกิดมาทำไมดินแดนที่เราจะไม่ต้องเกิดต่อไปก็มีอยู่คือพนิตภัณฑ์ทำยังไงเราจะถึงพนิตภัณฑ์ได้แล้วก็แตกขั้นห้าให้ร่างกายโยนทิ้งไป เอาว่าตัดใจที่นี้ไม่ได้ฆ่ากันฆ่าคิดไม่เสมอว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเต็มไปด้วยความทุกขอนัตามันสลายไปในที่สุดเราเกิดมาเพื่อาน้าทุกขความโง่เป็นปัจจัยเวลานี้เรามาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาพระสโฆ์งารศึลษ องสมเด็จพระบรมมฤคานต์สอนให้เรารู้เหตุรู้ผลว่าการเกิดที่โองสมเด็จพระพุทธคนถือว่ามันเป็นทุกข์เราจะแสวงหาความสุขได้ก็ตัดเหตุจ ต, ตัดปัจจัยเพื่อตัดความเกิดเช่้ได้เราจะไม่เกิดได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยก็คือหนึ่งกิเล็ก อาทางกำจัด ก, กิเลสให้สิ้นไปกิเลสมีสามรายการคือโลภโทสะโมหะในความโลภเกินพอดีการทรงอารมณ์โทสะเกินดีมีโมหะความหลงที่บานั่งเป็นเรานี่เป็นพวกเราความโลภจะตัดไปการให้ทานโทสะจะตัดไปการทรงรารมณ์ขัน์สี โมหาตัวนี้เรายอมรับนับถือกฎคงธรรมดาอะไรไมันเป็นธรรมดาความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความป่วยไข่ไม่สมบายเป็นของธรรมดาความตายเป็นของธรรมดายอมรับนับถือมันเจออาการอย่างใดมันเกิดขึ้นเราไม่หวั่นไหวถือ ว, ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา เราก็คิดเลยว่าธรรมดานี่เป็นแปลกายของความทุกข์ไม่แจกลายของความสุขเราไม่พบมันต่อไปเมื่อจิตใจของเราทรงไว้ได้ให้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมด า, าการก ร, กระทบกระแทกการเสียดสีและการกล่งแกล้งของบุคนอื่นเมื่อร่มใจไม่หวั่นไหวคิดว่าเราทรงกายไม่เท่าไรถ้าเราถร่างกายของเราฟังอะไรเราก็ถึงขึ้ไม่ผ่านเหมือ น, นั้น จิตใจของเราไม่ผูกพันในขันห้ากหรือร่างกายเพียงเท่านี้แดิ บ, บันรรดาลพระดวิสัตว่าสายพื้นฐานเดิมข้เรามีศีลบริสุทธิ์หมดแล้วจิตใจข้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีปัญญาเห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์เราไม่ต้องการเราไม่เราไม่ต้องการร่างกายอันนี้อีกเรามีความมั่นคงในคําสั่งสอนขององค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราไม่ยอมคัดจากศีลเราไม่ยอมละเมิดศีลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศีลนี้มีวาจาเป็นสําคัญ วาจาที่กล่าวไปนั่นจะต้องระ ม, มัดรวะวังหรือการทำทางกายก็ต้องระ ม, มัดระวังมิ ส, ส ม, มาระนังเสยโยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าว่า